เพื่อมาทำบุญมาทำความดีเพราะมีความเชื่อในกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่ให้แก่สรรโลกทั้งหลายให้ประพุติตามเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปคำว่ากรรมนี้ก็แปลว่าการกระทำ คำนี้ไม่ใช่แปลอย่างที่เราใช้กันส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่ากรรมแปลว่าบาปแต่ความจริงกรรมนี้เป็นคำการกลางเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ได้เพราะคำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทาและการกระทานี้ก็สามารถกระทาได้สามทางด้วยกันทางกายทางวาจาและทางใจ ทำไปแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาตามขึ้นมาที่ใจของเราคือความสุขใจบ้างความทุกข์ใจบ้างความไม่สุขไม่ทุกข์ใจบ้างนี่เป็นผลของกรรมที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่เราได้ทำแล้วเช่นถ้าเราคิดดีพูดดีทำดี เราก็จะมีความสุขใจถ้าเราคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายเราก็จะมีความทุกข์ใจนี่คือผลที่เราสามารถเห็นได้ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องสงสัยเวลาที่เราไม่สบายใจนี่ขอให้เรารู้เลยว่าเรากำลังคิดไม่ดีเวลาที่เรามีความสุขใจแสดงว่าเรากาลังคิดดี อย่างนั้นขอให้เราอย่าไปกังวลกับผลอย่างอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เช่นบางคนคิดว่าทำดีแล้วจะต้องร่ำรวยจะต้องเจริญก้าวหน้าในลาบยศสรรเสริญพอทำไปแล้วไม่ก้าวหน้าไม่ร่ำรวยก็จะเกิดความท้อแท้เกิดความลังเลสงสัยว่าทำไปแล้ว ได้ผลจริงหรือเปล่าจนเกิดความเข้าใจผิดกันบางคนสมัยนี้มีความเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีทำทำบาปได้ดีมีถมไปเขาจะคิดกันอย่างนี้คนจึงไม่กลัวบาปกันไม่กลัวผลที่เกิดจากการทำบาปเพราะเขาไม่ได้ดูที่ใจของเขา เขาจะดูที่ของที่เขาได้มาเขาอยากได้อะไรแล้วเขาได้ดังที่เขาอยากได้เขาก็คิดว่าเขามีความสุขแต่เขาไม่รู้ว่าเขานั้นมีความไม่สบายใจตามมาต่อไปจะดีใจก็ช่วงแรกๆตอนที่ได้มาใหม่ๆเช่นเวลาไปต้นธนาคารได้เงินมานี้ก็จะดีอกดีใจ แต่หลังจากนั้นก็ต้องมาคอยวิตกกังวลมีความหวาดกลัวที่จะต้องถูกเจ้าหน้าที่จับไปลงโทษต่อไปนี่คือผลคือความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำบาปที่จะทำมาต่อไปที่จะตามมาดัางนั้นขอให้เราดูที่ใจของเราถ้าเราอยากจะพิสูจน์กดแข่งกรรม ขอให้เราพิสูจน์ที่ใจของเราเช่นวันนี้ญาติโยมมาทำบุญญาติโยมก็มีความสุขใจมีความสบายใจขอให้ออกไปนั่งข้างนอกได้ไหมเนี่ยสามคนเนี้ยเพราะว่าเวลาฟังเทศฟังธรรมไม่ควรที่จะนั่งทาอะไรกันเพราะว่าหนึ่งไม่เป็นความเคารพสอง ไม่ได้เกิดประโยชน์จากการฟังธรรมเพราะว่าเวลาฟังธรรมนี้กายวาจาใจต้องสงบนะกายต้องนั่งอยู่เฉยไม่ทําอะไรวาจาก็ไม่พูดอะไรขอให้การุณาไปนั่งข้างนอกไปเลี้ยงเด็กไปทําอะไรข้างนอกนะเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนผู้อื่นด้วยนะมีสารกรณีหนึ่ง ขาดความเคารพ 2. นะไม่สามารถจะรับประโยชน์จากการฟังได้ 3. รบกวนสมาธิของผู้อื่นอย่างนั้นเวลาฟังธรรมขอให้เราตั้งอยู่ในความสงบสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจถ้ามีความสงบแล้ว ธรรมะที่เราได้ยินนี้ก็จะเข้าไปในใจของเราฟังแล้วเราก็จะเข้าใจจะได้รับประโยชน์แต่ถ้าเราฟังแบบไม่สงบกายวาจาใจไม่สงบก็จะเหมือนกับฟังแบบทับพีในหม้อแกงทัพพีนี้ต่อให้อยู่ในหม้อแกงนานเพียงไรก็จะไม่รู้ว่าแกงรสชาติของแกงเป็นอย่างไรแต่ ถ้าฟังแบบกายวาใจใจที่สงบก็จะฟังเหมือนกับลิ้นกับแกงย่นเดียวของแกงไปจะที่ลิ้นก็จะรู้ทันทีว่ามีรสชาติอย่างไรการฟังทําให้มีรสมีชาติให้มีประโยชน์ก็ต้องฟังแบบลิ้นกับแกงคือฟังด้วยกายวาใจใจที่สงบกายก็นั่งเฉย วาจาก็ไม่พูดอะไรใจก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องธรรมะที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตเพราะจะได้รับอนิสง์ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนเช่นวันนี้เรา ไม่ค่อยได้ยินเรื่องกฎแห่งกรรมกันเท่าไหร่เรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี้เรายังไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันจึงทำให้เราเกิดความสงสัยขึ้นมาได้ว่าบาปมีจริงหรือเปล่าบุญมีจริงหรือเปล่าทำดีได้ดีหรือเปล่านี่แต่พอวันนี้เรามาฟังธรรมแล้วเราก็จะได้ยินเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อน แล้พอเราได้ยินแล้วก็จะกระจัดความสงสัยให้หมดไปจากใจได้เมื่อก่อนนี้สงสัยเรื่องกฎแห่งกรรมว่ามีจริงหรือเปล่าไม่มีจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่สงสัยแล้วเพราะเราสามารถพิสูจน์กฎแห่งกรรมได้ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าไวพ้พิสูจน์พิสูจน์ได้หนงนี้เลยด้วยการดูที่ใจของเรา ดูที่ความรู้สึกของเราถ้าใจเราสงบอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นบุญถ้าใจเราว่าวุ่นขุ่นมัวอันนั้นแหละเป็นผลของบาปของผลของการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนี่คืออนิสงส์จะได้ยินได้ฟังในเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่เคยได้ยินมาแล้วถ้ายังไม่เข้าใจ ถ้าฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะขจัดความลังเลยสงสัยได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงทุกสุขเกิดจากการกระทำของเราเองไม่ได้เกิดจากผู้อื่นและห้าจะได้ใจจะได้รับความ ส, สงบ ผ่องใสจิตใจจะมีความสงบผ่องใสใจถ้ามีความสงบผ่องใสก็จะมีความสุขเวลาใจมีความสุขก็จะคิดดีพูดดีทำดีนี่แหละคืออานิสงส์ของการฟังธรรมถ้าวันใดเรามีอารมณ์ไม่ดีใจไม่สบายมาทำใจให้สงบด้วยการฟังเทศฟังธรรมพอใจสงบแล้วอารมณ์ขุนบัวก็จะหายไป แล้วก็จะคิดดีพูดดีทำดีได้ถ้าเรามีความว้าวุ่นขุ่นมัวเวลาเราคิดหรือพูดหรือทำนี้จะทำไม่ดีดังนั้นขอให้เรามีสติคอยดูใจเราอยู่เรื่อยๆเวลาใจมีอารมณ์ไม่ดีอย่าไปพูดอย่าไปทำอย่าไปคิดอะไรพยายามระงับอารมณ์คือความไม่ดีให้หายไปก่อนด้วยการฟังธรรมก็ได้ หรือด้วยการสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้สวดได้ทุกขณะทุกสถานที่ทุกเวลาเวลาใดเกิดอารมณ์ไม่สบายขึ้นมาก็สวดมนต์ไปภายในใจไม่ต้องส่งเสียงออกมาสวดไปภายในใจให้มีสติอยู่กับการสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานอารมณ์ว้าวุ่นขุนมัวอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์ว้าวเวหรืออารมณ์ ที่ไม่ดีต่างๆก็จะหายไปพอหายไปแล้วทีนี้ก็จะมีความมีอารมณ์ดีมีความสุขก็จะคิดดีพูดดีทำดีได้คนเราส่วนใหญ่ที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เพราะมีอารมณ์ไม่ดีนี่เองคนเราไม่มีขครอยากจะทำบาปทำกรรมกันแต่เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมานี้ ความคิดที่ไม่ดีมันก็จะตามมาทันทีเลยดังนั้นเราต้องคอยดูใจของเราเสมอเพราะใจของเรานี้เป็นผู้ผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมาจากการสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆเช่นเห็นรูป ก, ก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เกิดอารมณ์รักขึ้นมาก็ได้เกิดอารมณ์ชังอารมณ์เกลียดขึ้นมาก็ได้อารมณ์โกรธขึ้นมาก็ได้ พอเกิดอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะทําให้เราไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเราจรึงต้องดูที่ใจของเราใจของเรานี่แหละเป็นต้นกําเนิดของกรรมจะเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ใจนี่แหละเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่ใครที่ไหนถ้าเราไม่ทํากรรมเราไม่ทําเวรจะไม่มีใครมาจองเวรจองกรรมกับเรา การที่เรามีผู้อื่นมาจองเวรจองกรรมกับเราก็เพราะว่าเราไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเขานั่นเองเช่นเราไปทำร้ายผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายมีความทุกข์ใจผู้อื่นเขาก็จะต้องเกิดความโกรธแค้นอาฆาตยาบาจองเวรจองกรรมน่าจะตามกันไปข้ามพบข้ามชาติ ชาตินี้เราเกิดมาบางครั้งเราก็เจอคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนไม่เคยพบมาก่อนแต่กลับทําไมมีจิตใจไม่ดีกับเราคิดทําร้ายเราอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเป็นคู่กรรมของเราเขาเป็นเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรคือเราไปสร้างกรรมเวรให้กับเขานั่นเองเขาก็เลยจองเวรจองกรรมกับเรา แต่ถ้าใจของเราซึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรนี้ไม่ไปสร้างกรรมสร้างเวรไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขามีความทุกข์เดือดร้อนใจก็ไม่มีใครเขาจะมาทำร้ายเราหรอกดังนั้นเราจึงต้องพยายามอย่าไปทาบาปอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปลักทรัพย์ของผู้อื่นอย่าไปเอาทรัพย์สมบัติเข้าของของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาต อย่าไปประพฤติผิดประเพณีอยากจะได้ใครมาเป็นคู่ครองก็ทาให้ถูกประเพณีไปสู่ขอบิดามารดาเสียก่อนส่วนผู้ที่เขามีคู่ครองแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาพราะจะทำให้เกิดการจองเวรจองกรรมขึ้นมาได้คู่ของใครเขาก็รักเขาก็หวล่กันถ้าเกิดเขาต้องสูญเสียคู่รักของเขาไป เขาจะคิดอย่างไรต่อผู้ที่มาแย่งคู่รักของเขาไปเขาก็ต้องโกรธแรค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทจองเวณจองกรรมนี่คือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ที่ตัวเรางั้นเวลาถ้าเราทำบุญแล้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร น, นี้เราก็ต้องอุทิศแบบตั้งใจ ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่ทาเวรทำกรรมอีกต่อไปนั่นและถึงจะเป็นการอุทิศบุญอย่างแท้จริงเพื่อเจ้ากรรมในเวรก็คือเพื่อใจของเรานี้เองคือต้องบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ให้ใจของเราคิดร้ายต่อผู้อื่นพูดร้ายต่อผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นถ้าเราไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายผู้อื่นแล้ว เราก็จะไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใครเมื่อไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมก็จะไม่มีใครมาจองเวรจองกรรมอยู่ที่ตัวเรานี้เองเราเป็นผู้ไปสร้างมันขึ้นมาเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรดังนั้นเมื่อทาถ้าเกิดทำเวรทำกรรมไปแล้วก็จาเป็นจะต้องทาใจยอมรับกับผลที่มันจะต้องตามมา จะนี้มันอย่างไรก็หนีไม่พ้นหนีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่มันจะตามมาจนกว่ามันได้ล้างผลาญหรือทาลายเราแล้วเท่านั้นมันถึงจะหยุดจองเวรจองกรรมกับเราถ้าเราไม่อยากให้มีคนมาจองเวรจองกรรมก็อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมเท่านั้นเอง นี่คือกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้อยู่ที่การกระทาของเราถ้าเราทำแต่ความดีเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีทั้งหลายตามมาจะพบกับคนที่มีความปรารถนาดีมีไมตรีจิตกับเราจะไม่พบกับคนที่เขาคิดร้ายทำร้ายเราเพราะเราไม่ได้ไปทำให้เขามีความรู้สึกอย่างนั้นกับเรานั่นเองถ้าเราทำความดี คนที่เขาได้รับการทำความดีจากเราเขาก็จะมีความซาบซึ้งในมิตรจิตในความเมตตากรุณาของเราเขาก็อยากที่จะทำอะไรดีๆให้กับเราบ้างถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะคิดถึงเราก่อนเหมือนกับเราถ้าเรามีโอกาสทำความดีเราก็จะคิดถึงคนที่เขาทำความดีกับเราก่อนคนที่มีบุญคุณกับเราก่อน ดังนั้นขอให้เราเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำว่าดีก็หมายถึงความสุขใจความเจริญทางด้านจิตใจจิตใจของเราจะสูงขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์ก็ขึ้นไปเป็นเทพเป็นเทพเป็นพรหมแล้วก็ไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามี พระอนาคามีพระอรหันต์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เกิดจากการทำความดีทั้งนั้นไม่ได้เกิดอยากเกิดจากสิ่งอื่นเลยขอให้เราต่อให้เราอธิษฐานว่าเราอยากจะเป็นคนดีอยากจะได้ดีได้ดีแต่ถ้าเราไม่ทำอธิษฐานเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เช่นเวลาเรากราบพระแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าให้มีเวณมีกรรมเลยแต่ถ้าเราไม่ทําความดีแล้วยังไปทํำบาปทํากรรมอยู่มันก็ยังจะต้องมีเวณมีกรรมตามมาและเราก็จะไม่เจริญไม่สุขอย่างที่เราปรารถนากันเพราะว่าการ สิ่งที่เราปรารถนากันนั้นมันไม่ได้เกิดจากการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เกิดจากการกระทําของเราทางกายวาจาและทางใจเท่านั้นขอให้ถือหลักนี้ไว้แล้วแลวเราจะได้ไม่ค่อยเขยส่วนผลภัยอย่างอื่นที่อาจจะตามมาจากผู้อื่นนี้ก็อาจจะเกิดขึ้น ท, ทันทีก็ได้ หรือยังอาจจะไม่เกิดขึ้นทางทีก็ได้เช่นเราทำความดีเราอาจจะได้รับรางวัลอาจจะได้รับตำแหน่งได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาหรืออาจจะไม่ได้รับก็ได้อันนี้มันไม่แน่นอนเพราะบางทีมันมีอุปสรรคหรือมีมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่อาจจะทำให้เรายังไม่ได้ดีไม่ไม่ได้ผลตอบแทน แต่เราก็อยากไปกังวลกับผลที่จะเกิดขึ้นภายนอกที่จะตามมาหรือไม่ขอให้เราดูที่ใจของเราถ้าเราทําความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่มีความปรารถนาที่จะรับสิ่งตอบแทนจากผู้ที่เราทําความดีด้วยแล้วใจของเราจะมีความสุขทันทีแต่ถ้าเราทําเพื่อหวังผลตอบแทนใจของเราก็จะไม่มีความสุข เพราะจะรอคอยผลตอบแทนก่อนถึงจะมีความสุขถ้าทําแบบนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการทําความดีเพราะมันไม่ได้เป็นการเสียสละไม่ได้เป็นการให้โดยไม่มีข้อแม้แต่อย่างใดอย่างนี้เรียกว่าเป็นการซื้อ ข, อขายเป็นการแลกเปลี่ยนยืน่นยื่นหมูยื่นแมวกันเราให้หมูเขาไปเขาให้แมวเรามาอย่างนี้ อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทําความดีเพราะเราก็ไปตามร้านค้าอยู่เรื่อยๆเราก็เอาเงินให้คนที่ขายของแต่เราไม่ได้เงินเข้าเปล่าๆเราให้เงินเข้าแล้วเราก็เอาของออกมาจากร้านอย่างนี้เราก็ไม่มีความสุขใจแต่อย่างใดเราก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะมันเป็นการกระทําที่ไม่ใช่บุญและไม่ใช่บาปนั่นเองเป็นการกระทําที่กลางกา การกระทำที่เป็นบุญนี้ต้องเป็นการให้สุขให้ความสุขให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้ที่รับของจากเราไปเช่นญาติโยมวันนี้มาทาบุญเอากับข้าวกับปลาอาหารข้าวาหวานมาถวายพระอย่างนี้ญาติโยมไม่มีความหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนจากพระเลยแต่กลับมีความสุขใจ พอให้ด้วยความดอสุขใจนี่แหละคือการทำความดีต้องเป็นแบบนี้ทำแล้วไม่ได้หวังผลตอบแทนจากการกระทาของเราทำเพื่อความสุขใจทำเพื่อบุญเพื่อกุศลนี้เท่านั้นถึงจะเป็นบุญถึงจะเป็นกุศลถึงจะเป็นความสุขดังนั้นขอให้เราดูที่ใจของเราเวลาเราทำความดี ถ้าเรามีความสุขใจมีความปลื้มปิติมีความภูมิใจมีความอิ่มใจนั่นแหละเราได้รับผลจากการทำความดีของเราแล้วซึ่งเป็นความดีเป็นผลที่ดีกว่าการได้เงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านซีอีเพราะเงินร้อยล้านพันล้านนี้จะไม่สามารถให้เรามีความสุขใจอิ่มใจความภูมิใจได้เลยดังนั้น ขอให้เราอย่าไปวิตกกังวลกับผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากผู้อื่นหรือไม่ก็ตามเช่นเดียวกับการทำบาปเราทำบาปแล้วก็ยังอาจจะไม่มีผลเกิดขึ้นจากผู้อื่นก็ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเราได้ทำบาปแล้วเช่นเราไปขโมยเงินของคนอื่นเขาเขายังไม่รู้ว่าเราขโมยเงินของเรามาแต่ถ้าเขารู้แล้วนั่นแหละผล ก็อาจจะตามมาได้ถ้าเขาโกรธแค้นโกรธเคลืองเขาก็จะตามมาทวงเอาเงินของเขาคืนไปถ้าเราไม่ให้คืนเขาเขาก็อาจจะทําร้ายเราได้นี่เป็นผลที่อาจจะตามมาก็ได้หรือยังไม่ตามมาก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างอื่นเช่นเขารู้หรือไม่รู้หรือว่าบางทีเขารู้แล้วแต่เขาเป็นคนดีเขาไม่สนใจเขาให้อภัยเรา แต่ใจของเราเนะี่ยมันร้อนอยู่ตลอดเวลาใจของเราว้าวุ่นขุ่นบัววิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละคือเป็นผลของบาปกรรมก็คือความลุ่มร้อนใจความวิตกความกังวลความทุกข์ความเศร้าหมองความว้าเหวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นผลของการที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี บางทีเรายังไม่ได้ไปพูดไปทำเลยเพียงแต่คิดไม่ดีใจเราก็ไม่สบายใจแล้วความคิดไม่ดีนี้ก็มีหลายรูปแบบเช่นคิดอยากจะให้คนนั้นคนนี้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็ไม่สบายใจแล้วยังไม่ทันไปพูดร้ายทำร้ายเลย <c oughs> เพียงแต่คิดอย่างนี้ก็ไม่ดีแล้วถ้าเราจะคิดดีต้องคิดปล่อยวางเขา เขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราถ้าเราคิดอย่างนี้เราคือเราปล่อยวางปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะร้ายก็เรื่องของเขาใจของเราก็จะสบายใจของเราก็จะสงบนี่ก็เป็นความคิดดี โดยที่ยังไม่ทันพูดหรือทำดีเลยเราก็มีความสุขได้แล้วเพราะเราปล่อยวางเขาพอเราปล่อยวางเขาแล้วเราก็จะไม่ไปจุ้นจ้านกับเขาไม่ไปว่าไปพูดไปทำอะไรที่ทำให้เขาเกิดความลำคาญใจขึ้นมาพอเราไปพูดแล้วเขาเกิดความลำคาญใจเขาก็อาจจะทำร้ายเราด้วยวิธีการต่างๆเช่นเขาเบื่อเราเขาก็อาจจะหนีจากเราไป อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราปล่อยเขาให้อยู่ตามสภาพของเขาเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไปเขากลับไม่เบื่อเราเขาก็ยังจะอยู่กับเราต่อไปเขากลับจะรักเราชอบเราเสียอีกเพราะว่าเราไม่ไปทําให้เขาหงุดหงิดลาคาญใจเราทําแต่สิ่งที่ดีให้กับเขาถ้าเรามีหน้าที่ดูแลเขาเราก็ดูแลเขาไปทํเขาช่วยเขาทําให้เขามีความสุข อย่างนี้เขาก็จะมีความสุขและเขาก็จะมีความยินดีที่จะอยู่กับเรานี่คือวิธีที่เราจะชนะใจคนถ้าเราอยากจะให้คนเขารักเราชอบเราและอยู่กับเราเราต้องอย่าไปก้าวไก่ในเรื่องส่วนตัวของเขาในเรื่องชีวิตของเขาเขาอยากจะทำอะไรไม่ทำอะไรนั้นเราอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปตาม อัพยาศัยเราอาจจะชวนจะเชิญก็ได้เช่นเราอยากจะไปข้างนอกเราก็ถามเขาว่าอยากจะไปข้างนอกไหมถ้าเขาอยากจะไปก็ไปด้วยกันถ้าเขาไม่อยากจะไปอยากจะอยู่บ้านก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปเราก็ไปของเราถ้าเรามีธุระมีหน้าที่ต้องทำอะไรต้องออกไปข้างนอกเราก็ไปอย่างนี้เขาก็จะไม่ลำคาญ แต่ถ้าเราคอยมาบอกก็ว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ไม่ว่าแต่ไม่ว่าใครตัวเราเองเราก็จะลาคาญถ้ามีคนคอยมาบอกให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราต้องอย่าไปก้าวก้ากายกับเรื่องของส่วนตัวของเขาเขาอยากจะกินอะไรเขาเบื่ออะไรเขาชอบกินอะไรมันก็เรื่องของเขาอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วรับรองได้ว่า จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขอให้คิดว่าถ้าสิ่งที่เขาทํานั้นมันไม่ดีเขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของเขาเองเช่นถ้าเขาชอบดื่มสุรายาเมลชอบเล่นการพนันเราก็อาจจะขอร้องเขาก็ได้แต่ถ้าเขาจะทําถ้าเขาไม่ทำตามอย่างนี้เราก็ต้องปล่อยวางเราก็ต้องทําใจว่าเป็นเรื่องของเขา เดี๋ยวผลเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองไม่ได้เกิดขึ้นกับเราให้เราคิดแบบดีแล้วเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีแล้วเราก็จะมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่กับใครที่ไหนเมื่อไหร่เวลาใดถ้าเราคิดดีแล้วมันดีไปหมดเวลาอากาศร้อนก็คิดว่าร้อนก็ดีมันก็สบายใจถ้าอากาศหนาวว่ามันหนาวก็ดีมันก็สบายใจ แต่ถ้าร้อนก็ว่าไม่ดีมันก็ทุกข์ใจหนาวว่าไม่ดีมันก็ทุกข์ใจความทุกข์ใจสุขใจของเราอยู่ที่ใจของเราว่าจะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองในขณะนี้เป็นอย่างไรเรายอมรับมันได้เราว่ามันดีมันก็มีความสุขใจเช่นตอนนี้หมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินเหลืออยู่เลย ก็เราก็ยังคิดว่าดีอยู่ไม่เป็นไรจะได้ออกบวชได้อย่างนี้คิดอย่างนี้มันก็มีความสุขใจได้คนหมดเนื้อหมดตัวถ้าถ้าคิดอยากจะรวยเสียดายเงินที่เสียหายที่หายไปก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเนี่ยเรื่องอันเดียวกันนี้อยู่ที่เราจะคิดเท่านั้นเองถ้าเราคิดดีแล้วไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร เรามีความสุขใจกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ได้เสมอขอให้เราว่ามันดีเท่านั้นเองขอให้เราชอบมันยินดีรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครด่าเราแล้วก็ยินดีอดีเหมือนกันเขาอยากจะด่าเราก็ปล่อยเขาด่าไปเราก็ฟังเขาด่าไปมีความสุขกับการฟังเท่านี้มันก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเราต่อต้านเราไม่อยากให้เขาด่าเราว่าเรา เราก็จะเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองเกิดความรุ่มร้อนเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือเรื่องของกรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราเกิดจากการกระทําของใจเราเองก็คือความคิดของเราเองดังนั้นเราต้องพยายามสอนใจเราให้คิดดีเสมอ <c oughs> เช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าถ้ามีคนเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเรานะ ถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราให้คิดอย่างนี้ถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วชีวิต น, นี้มันก็ต้องจบด้วยกันทุกคนให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะมีแต่ความสุขใจตลอดเวลานี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรม ท, ที่จะส่งผลขึ้นมาทันทีภายในใจเรา ขอให้เราดูตรงนี้และเราจะไม่สงสัยเรื่องของกฎแห่งกรรมว่ามีจริงหรือไม่มีจริงจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทําความดีด้วยความเชื่อในกฎแห่งกรรมนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา